วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงขมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมอยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเว้นจากได้รับสมมุติเป็นนิสกีกระผมสละจีวรทุนนี้แก่สง ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพระเจ้าจีวรผืนผนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ่าสง์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนผนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป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 อยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเว้นจากได้รับการสมมุติเป็นนินสคีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัตแล้วพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยการกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่าน